วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าในช่วงนี้รู้สึกว่าวัดของเราชุโหกเมื่อวานในหลวงพอ่อเห็นว่าจะไม่ได้ไปงานหลวงปู่จันทาหลวงพอ่อขึ้นมาจากกรุงเทพนั่งรถมาจากกรุงเทพมาพิจิตแล้วก็จะโค้งมานาคำน้อยของเรา ดูในเข็มไม้เขาบอกในเข็มไม้เครื่องทันสมัยที่เครื่องนำทางอะไรพีเอพีออะไรเาว่าห่างโค้งทางเนี่ยจะโค้งประมาณจเก้าสิบเก้าสิบกิโลถ้าเราขึ้นมาจากกรุงเทพมาพิจิตรแล้วก็มาวัดปานาคำน้อยเนี่ยหลงพอเออเก้าสิบกิโลไม่เป็นไรหรอกสองสามทุ่มคงถึงวัดแต่นี้พอมาถึงวัด วัดของหลวงปู่หมู่พวกเพื่อนก็เลยบอกข อ, อนิญนตท่านอาจารย์พักก่อนเพื่อจะได้เทศให้คณะศรัทธาญาติโยมฟังเพราะวันนี้เป็นวันเริ่มงานก็เลยเออก็เลยพักอยู่ที่วัดหลวงพ่อจันทาหลวงปู่จันทาถาวโรอายุเก้าสิบปีนะพันษาห5สบ้าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ขาว วัดธรรมกองเพลนหลวงพ่อเองรู้จักท่านตั้งแต่พันษาสี่พันษาห้านะการรู้จักท่านมาตลอดของปู่จันทานะเป็นพระที่น่าก็รับนับถือท่านหนึ่งนิสัยแบบเรียงง่ายแต่ก็เทศเก่งนะเป็นธรรมกถึกองค์หนึ่งในยุคสมัยนั้นนะแล้วก็เมื่อวานในหลวงพ่ออู่ฟู่พอชมควรนะี่นะพอนั่งอยู่นั่นอนะ่ะมีโยม เข้ามาผมขอถวายเช็กท่านอาจารย์ให้ท่านอาจารย์มอบงานหลวงปู่จันทานะเราก็ถามเคยมาไหมเนี่ยไม่เคยมาครับผมจังหวัดชนบุรีเราก็ได้รับแลวก็เราก็นั่นแหะไม่ได้คิดว่าเป็นวัดอะไรเออเอาหลวงพ่อจะรับมอบให้นะพอดูดูโอ้เช็กตั้งสองแสนฮโอ้ไม่ใช่ธรรมดานี่วะเช็กเงินสดหลวงพ่อก็เลยเรียกเข้ามาอีก อยู่ที่ไหนถามดูอะจดชื่อให้หลวงพ่อประกาศเออคณะัทธายาิโยมลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่จันทาน ะ, ะนี่แหละเทวดาได้ส่งเจตุปัจจัยมาช่วยงานหลวงปู่หละข้าวนี่วะโรงงานหลวงปูก่กำลังต้องการเงินอยู่พอดีพอดีจงการความช่วยเหลืออยู่อย่างมากแล้วก็เนี่ยมีผู้ถวายจะมาจากจังหวัดชนบุรีโดยที่ไม่ได้ บอกกล่าวอะไรเลยด้วยศรัทธาจริงๆเนี่ยถวายมาสองแสนบาทพวกเราอนุโมทนาพร้อมกันเนาะเขาเคยซาทุสองแสนบาทจากนั้นหลวงพ่อกัจะตุกปใจัยมาจากกรุงเทพมาถวายทั้งของหลวงพ่อโดยทั้งของท่านอาจารย์มานะด้วยทั้งของเสียต้อมด้วยมอบถวายหมื่นเกือบสองหมื่นมั้งปัจนุบันน่ะ วันมาถึงพอหลวงพ่อเทศจบก็ได้หมื่นกว่าบาทอีกการเทศนะพอตอนเช้าอีกเขาถวายอีกหลวงพ่ออีกได้สองหมื่นแปดหลวงพ่อก็มอบให้งานศพทั้งหมดนะบ่ารวมแล้วก็ประมาณถ้ารวมสองแสนเข้าไปร่วมก็ประมาณสองแสนห้า ก, กว่าหรือเกือบสองแสนหกเนะร่วมงานหลวงปู่จันทาเมื่อวาน น, ะนี่แหละหลวงพ่อไปนสถานที่ใดก็ มีแต่มีผู้ถวายที่จะเกิดประโยชน์ต่อทิ่นนั้นหลวงพ่อก็ได้ให้แต่ไปเข้าคอนก็มันกันนะสวนแสงธรรมไปวันแรกก็คนพี่น้องศรัทธาญาติโยมมากะหลั่งไหลมาเขาถวายปัจจัยมาแสนกว่าบาทมั้งหลวงพว่อข็มอบให้คุณชายป๋มใช้ในวัดในสวนแสงธรรมแล้วพอมีการก่อสร้างอาคารหนีน้ำสถานีวิทยุหนีน้าอีก ยกขึ้นไปให้ผ้นน้ำแล้วก็วิทยุลวงตาก็เสียอีกจะต้องได้ใช้จะตุปัจจัยพอสมควรตัวนี้หลวงพ่อก็จะคิดอยู่เหมือนกันถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะรวบรวมศรัทธาญาติโยมหมู่พวกเพื่อนทั้งหลายไปทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนจุดนี้อีกเหมือนกันในเมื่อพ่อของเราจากไปแล้วพวกเราก็เฉยๆคนอาทิ์ค น, ท, คนทางก็ไม่น่าจะถูกต้อง น่าจะไปรวมรวมกันแล้วกัหาจะตตุปัจเป็นก้อนก็นมอบให้เพื่อใช้ในสวนแสงธรรมที่วัดของหลวงตาหลวงพ่อก็คิดอยู่เหมือนกันอันนั้นมันเรื่องอนาคตก็ยังคิดอยู่แต่ที่มาพูดถึงวัดเราทีนี้ที่ว่าหลวงพ่อมีงานยุ่งก็คือวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามหลวงพ่อก็จะได้เดินทางไป วัดของคุณแม่ชีแก้วเพราะงานของคุณแม่ชีแก้ววันที่ยี่สิบสี่สวดมนต์เย็นวันที่ยี่สิบห้าถวายประาหานเช้าแล้วกรณ์ที่จะไปวันนี้ก็จะไปเนี่ยวัดโนนนิเวศจังหวัดอุดรเขานดมนต์ไปตัดลูกนิมิตฝังลูกนิมิตแฉลองโบสถ์พูงง่ายๆจะก็ให้นิมนต์หลวงพ่อไปแสดงธรรมไปเทศบ่ายสามโมงวันนี้ เพราะนั้นหลวงพ่อจะไ้ออกจากนี่เขาไปคงจะได้ไปพูดไปกล่าวอะไรในงานของเขาจากนั้นก็คงจะเดินทางไปวัดของคุณแม่ชีแก้ววัดของคุณแม่วัดหลวงปู่จามถึงวัดน่าคงจะประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งเนีน่ประมาณ น, นั้นน่าจะถึงได้จากนั้นก็เข้างานแล้วก็เป็นห่วงทางวัดอีกเหมือนกันท่านนี่อย่างพวกเราท่านทั้หลายเห็นเนี่ย อยู่ทางซ้ายมือของหลวงพ่อเนี่ยนาคที่มาจากกรุงเทพนักศึกษาแพทย์เนี่ยที่ลูกหลานจะมาบวชนักศึกษาแพทย์มหิดลสิทธิราชมาทุกปีขาดปีหนึ่งมัง่งถือขาดช่วงไปไปทางอื่นลกลับมาอีกอันนี้ปีนี้เป็นปีที่เจ็ดปีนี้ก็จะบวชที่วัดเรารวมแล้วมีเก้านาค แล้วก็มีนาคของเราอีกสี่นาคเนรหนึ่งนาคพระสามรวมแล้วเป็นสิบสามนาคนาคพระสิบสองนาคเนรหนึ่งจะบวชวันที่ยี่สิบห้าเป็นวันที่หลวงพ่อไม่อยู่อีกต่างหากทีนี้เพราะว่าทางกรุงเทพพอกําหนดมาแล้วเขาก็ต้องได้บอกพี่น้องวงสาคณะญาติพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เป็นพ่อแม่ของนาคพวกเหล่านั้นก็ได้ เกียดเวลาออกมาตีตัวเครื่องบิน เ, าเาชารถไว้แล้วนะถ้าจะเปลี่ยนมันก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายก็จะต้องไปตามนั้นอีกทีถึงหลวงพ่อจะไม่อยู่ก็จะต้องบวชวันที่ยีหาหลวงพ่อจะต้องสั่งกับพระผู้ใหญ่ในวัดของเรานมนต์พระอุปชาภูก่อนก็นมีมนตอาจารย์สวดมาเตรียมพร้อม ถึงหลวงพ่อจะไม่อยู่ก็จะให้ขาดตกปกพ่องอันนี้ก็ให้มอบให้แกพระพราเคยอยู่กับหลวงพ่อมาหลายองค์หลายปีมาแล้วรู้จักพิธีการอยู่แล้วค่ชวยช่วยๆกันดูทั้งอุปชาทั้งอาจารย์สวดทั้งผู้นั่งหัตถบาตถามีนะจากนั้นก็ทางอาหารทางโรงครัวญาติพี่น้อง หนักทั้งสิบสามเนี่ยก็ต้องมีญาติพี่น้องหลวงพ่อว่ะผู้ที่มาเกี่ยวข้องอย่างน้อยก็ต้องเกือบสองร้อยและอย่างน้อยร้อยห้าสิบนะั้ไม่ไม่ขาดการบวชจะต้องใช้เวลานานบวชตอนเช้าเสร็จแล้วก็ต้องถึงเที่ยงคเพราะท่านทางในครัวก็ต้องดูอาหารเช้าด้วยอาหารเที่ยงด้วยให้เลี้ยงพี่น้องเพราะวัดของเรามันห่างไกล ห่างไกลร้านอาหารห่างไกลความเจริญน่อย่อจะไปออกไปหาอยู่หากินข้างนอกคงจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเพราะนั้นทางในครัวของเราก็พอเป็นไปได้อยู่ขอให้พวกเราช่ว ย, วยกันเนะื้อาหารเช้าด้วยอาหารเที่ยงด้วยอย่าให้ขาดตกบกพร่องเลี้ยงอาหารตามมีตามเกิดของเราเนั่ยแหละแต่ยังไงให้มีกินพูดง่ายๆอาหารเอ็ดอริอร่อยยังไงนะไม่ต้องพูดถึงยังไงให้มีกิน ให้รองท้องเอาไว้อย่าให้มันหิวไม่มีกินอันนั้นไม่ดีอันนี้ก็ช่วยๆกันแต่ส่วนนักเราก็กมอบให้ครูบาช่วยๆกันเรื่องเรื่องบริคารเรื่องการขานนากทุกอย่างนั่นแหะพระชุามาถวายจตุ ป, ปัจจัยพระอาจารย์สิ่งเหล่านี้ให้พวกมอบไปแก่พวกท่านทั้งหลายแต่หลวงพ่อก็จะมอบหมายไว้อันไหน เป็นยังไงอันไหนเป็นยังไงให้พวกกันทั้งหลายช่วยกันคิดนะทางในครัวก็เหมือนกันอยาให้ขาดตกปกพ่องที่พักพาอาศัยทั้งฝ่ายผู้หญิงทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายโยมมาพักที่ไหนถ้ามีความจำเป็นก็ไปพักที่ผู้ติดตามและตำหนักน้องก็ได้สองหลังนะ่ะถ้าคนมามากไปพักหลังนู้นก็ได้สองหลังนะ่ะช่วยช่วยกันไปจัดไปดู พวกของใช้ของเราก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วพวกผ้าห่มหมอนที่นอนหมอนมุ้งก็สําคัญให้ช่วยกันจัดเท่านั้นให้ช่วยกันดูพูดง่ายๆญาติโ ย, ยมก็มาสู่วัดวาศาสนาพระลูกหลานที่เขามาบวชสู่วัดวาศาสนาอย่าถือเป็นส่วนอื่นอย่าถือเป็นอย่างอื่นนี่แหละคือทายาทของพวกเราถ้าว่าพวกเราไม่มีทายาท มิตรโดเดียวเราแต่คนเดียวพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ยืดนานไปได้อย่างไราพระพุทธศาสนาจะยืนยาวไปได้กระเทาะเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นทายาทจากนั่นก็ญาติพี่น้องของนาคที่มาพบเห็นวัดวาศาสนาเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสจากนั้นก็เลยบำรุงทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไม่ใช่ทนุบำรุงวัดเรานะบำรุงวัดที่ไหน ก็เหมือนกันนั่นหละเขาจะได้เห็นแล้วก็นีเ่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเขาจะได้ทาบุญทาทานพระพุทธศาสนาก็จะอยู่คู่กับเมืองไทยนานเท่านานเพราะบรรพบุรุษของพวกเรานับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านนับถือด้วยชีวิตจิตใจจริงๆแล้วพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนามีเหตุมีผลสมบูรณ์บริบูรณ์ ใช้สติใช้ปัญญากันกรองไตรตรองในแง่มุมไหนเหลี่ยมไหนเรื่องราวอะไรล้วนแล้วจะมีเหตุมีผลในเรื่องนั้นๆทั้งหมดพูดอย่างนั้นได้ เ, เว้นเสียแต่คนไม่คิดไม่อ่านไปที่ไหนคือซื้อบือ้อซื้อบื้อดูถูกเขาไปเลยอันนั้นมันก็สุดวิสัย จะสอนยังไงจะแนะนำยังไงมันก็ไม่เข้าใจเพราะเห็ุไรเพราะไม่อยากเข้าใจไม่อยากเข้าใจสอนยังไงก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเขาผู้ฟังนั้นไม่อยากเข้าใจเนี่ยมันยากจุดจุดนี้แหละนี่แหละขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะสรุปแล้วก็คือให้ช่วยกันดูอย่าให้ขาดตกบกพ่องหลวงพ่อไม่อยู่หลวงพ่อก็เป็นห่วงลูกห่วงหลานห่วงวัดว า, าศาสนา ห่วงหลังเหมือนกันหนะ้าไม่ใช่ก็ไปหน้าก็ไม่ห่วงหลังไม่ใช่ไปหน้าก็ห่วงหลังอยู่เหมือนกันถ้าไม่ไปก็ไม่ได้ห่วงหน้าเท่ฮะเพระว่าหลวงพอ่อหลวงพ่อกางจ้างกางจ้างโดดนู่นโดดที่ห่วงนั้นห่วงนี้แต่ถึงจุดจบวันหนึ่งหลวงพ่อก็จะหลับตาพิวเหมือนกันนะหลับตาผิวขาไม่ห่วงอะไรทั้งหมดละขาจะตายแล้วบัดเนี่ย ข่าวนั้นมันต้องมีอีกเหมือนกันนะแต่ข่าวนั้นมันยังหายใจได้อยู่ไม่รู้จะทํำยังไงมองทางซ้ายมองทางขวามองหน้ามองหลังมองสูงมองต่ํามองให้รอบด้านรอบข้างจะทํายังไงจะช่วยยังไงประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก็ไม่ให้ขาดตกบกพร่องประโยชน์คนอื่นพอที่จะช่วยเหลือได้เราก็ต้องช่วยเหลือประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนะเพราะนั้น พวกเราท่านทั้งหลายทุกุกคนนะขอให้ทำคุณงามความดีสรุปแล้วคนดีทำดีได้ง่ายคนชั่วทำชั่วได้ง่ายพระพูดพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเรื่องพระมโหสดพระเจ้าแผ่นดินสมัยมโหสดอยู่นะพระเจ้าอะไรวิเทหะอะไร พระเจาวิเทหะท่านถามมโหสถมโหสถบอกว่าคนในชอบดูถูกคนอื่นเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันเพราะอะไรมโหสถตอบบอกว่าเพราะกรรมกรรมกรรมของคนแต่ละคนคนที่มีสิลิมีศีมีสิลิเป็นคนมีบุญ คนบาปอยู่ด้วยไม่ได้ถ้าหาว่าคนที่มีบาปคนบุญก็อยู่ด้วยไม่ได้แยกแบ่งโดยอัตโนมัติเหมือนน้ำกับน้ำวันมโหสดตอบอย่างนั้นนะคนมีสิริกับคนที่ไม่มีสิริคนไม่มีสิริคือคนมีบาปจะเข้าอยู่ใกล้คนที่มีสิริก็เข้าใกล้ไม่ได้เพราะนั้น หลักของพระพุทาธศาสนาหรือทำคาสอนดรวยว่าธรรมชาติจุดนี้มันแบ่งแยกโดยอัตโนมัติโมโหสดตอบพระเจ้าวิเทหราชสรุปแล้วก็คือกลุ่มดีก็ต้องไปกลุ่มดีกลุ่มเร็วก็ต้องไปกลุ่มเร็วของใครของเราน้ํามันก็เข้ากับน้ํามันน้ำก็เข้ากับน้ำจนกว่าจนกว่าจะปรับ ขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ก็คือสกัดออกนะสิ่งที่มันชั่วเสียหายแต่ละคนเมื่อสกัดออกแล้วก็เป็นคนดีได้ไม่ใช่ปรับไม่ได้คนเนี่ยมันปรับได้นะไม่ใช่ว่าชั่วก็จะชั่วตลอดไปไม่ใช่คนดีก็เหมือนกันตัวเองว่าดีแล้วจะไม่ชั่วเลยมันก็ไม่ได้พร้อมที่จะชั่วได้ถ้าว่ามันยังมีเชื้ออยู่เชื้อนั่นคืออะไร เือก็คือกิเลสโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะอยู่ในใจถ้าว่าเราชล่าใจเมื่อไหร่เราหลงละเริงเมื่อไหร่เราลืมตัวเมื่อใดเราขาดสติเมื่อไหร่กิเลสเหล่านั้นมันก็ปะทุขึ้นมาเหมือนกับสนิมอยู่ในเหล็กอย่างนั้นะถ้าว่าเราขัดเกาอยู่เสมอเอาน้ํามันฉโลมวาอยู่เสมอสนิมมันก็ไม่เกิด มันก็มีอยู่มันอยู่ในนั้นแต่เมื่อเราปล่อยปละละเลยไม่สนใจน้าเกลือเข้ามาถูกเหล็กเมื่อไหร่หรือว่าน้ำสกรปรกเข้ามาถูกเหล็กเมื่อไหร่เหล็กแท่งนั้นก็เกิดสนิมเกิดขึ้นมาทันทีสีแดงขึ้นมาเถืออขึ้นมาทันทีนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าเราดูจิตดูใจของเราอยู่เอาธรรมะเข้ามาฉลม เอาเหตุหลักเหตุผลเข้ามาฉลมจิตใจไว้อยู่เสมอกิเลสเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าทําคอบงำทําครอบงามจิตใจแต่ถ้าว่าเราชราใจเราไม่ได้เอาทำเราไม่ได้คิดไม่หาหลักธรรมเข้ามาข่มใจของตนเองมีแต่ส่งเสริมกิเลสมีแต่โลภโกรธจะโกรธให้ใครก็โกรธไม่มีเหตุไม่มีผลจะโลภแล้วก็อยากได้ก็โลภ จะรักใครก็รักโลภโกรธหลงผลที่สุดนี่แห่ะกิเลสเหล่านั้นมันจะปัทุขึ้นมาอย่างแรงเป็นคนชั่วไปได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะนั้นคนดีกับคนชั่วมันแต่งเติมกันได้ถ้าอยากจะชั่วก็แต่งเติมขึ้นมาถ้าอยากจะดีก็แต่งเติมขึ้นมาเพราะนั้นพวกเราได้พบพระธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ควรจะข่มไว้ก่อนควรจะชะลมไว้ก่อนควรจะเอาธรรมะ เ, เข้ามาชะล้างจิตใจของเราถึงจะชะล้างไม่เด็ดขาดาไม่ทําให้จิตใจเป็นจะเจตนเล็ดสนะก็ให้อยู่ในถึงจะเป็นเหล็กก็ให้อยู่ใน เ, เป็นเหล็กอยู่ที่ไม่เกิดสนิมออย่าเอาสิ่งแปลกปลอมเข้ามาถ้าสิ่งแปลกปลอมเข้ามาก็คือเอาน้ํากดน้ําเกลือเข้ามานะ่ มันเดือดมันก็จะเกิดสนิมเกลืดขึ้นมาแต่ถ้าว่าเราเอดสิ่งที่ดีเข้าไปเอาน้ํามันฉโลมขัดเอาน้ำกระดาษทรายขัดเอาน้ํามันชโลมไว้เหล็กแท่งนั้นกับมันก็อยู่อย่างนั้นไว้ก่อนจนกว่าเราจะมีกรรมวิธีที่จะชําระเอาเหล็กแท่งนั้นะมาถลุงใหม่มาสกัดใหม่จนเหล็กแท่งนั้นเป็นสเตนเลส สเตนเลสก็คืออะไรก็คือทำจิตใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีเกลเลตราคะโทสะโมหะอยู่ใน จ, ใจิตใจสนิมออกจากเล็กออกจากใจหมดแล้วใจตรงนั้นก็เป็นจิตใจที่บริสุทธิ์เป็นสเตนเลสร้อยเปเซนตยิ่งกว่าสเตนเลสธรรมดาก็าว่าสเตนเลสธรรมดานี่ถึงยังไงยังมีเชื้อสนิมอยู่ขาวานะไม่มากก็ต้องน้อยความเศร้าหมองยังมีอยู่ แต่ใจใจของพระอรหันต์น่นไม่มีแม้แต่หน่อยเดียวกิเลสเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นเพราะฉะนั้นจุดนั้นล่ะเราจะทํำยังไงเราจะคอยจุดนั้นทีเดียวก็ไม่ได้เราก็ต้องประคับประคองอย่างที่ว่าสิ่งไหนดีสึ่งไหนมีเหตุมีผลสึ่งไหนเป็นบุญเป็นกุศลสึ่งไหนเป็นคุณงามความดีสึ่งไหนเป็นศีลเป็นธรรมเราก็พยายามคิดพยายามปรับปรุงกายวายใจยใจของเรา เราเชื่อแล้วว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงบาปบุญคุณโทษมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะเราเชื่อในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วนะพวกเราก็จะประกอบแต่คุณงามความดีให้ตัวเองมีสิริให้เป็นมงคลนะไม่ใช่ว่าทำตัวให้เป็นอัปมงคลทำตัวชั่วทำปนให้เป็นทาจิตใจให้เศร้าหมองทาจิตใจให้ หนักไปทางกิเลสโลภโกรธหลงอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสัง่งสอนเพราะนั้นขอให้พวกเราตรวจตราตนเองไว้อยู่เสมอหน้าหุกหลานยึดศรัทธาญาติโยมทุกคนตั้งแต่หลวงพ่อนะเป็นต้นไปหลวงพ่อก็จะตรวจตราดูหลวงพ่อเหมือนกันน ะ, ะตอนนี้ไปพระสงฆ์จานุมานาให้พร